สังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบเพราะภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าน้องหญิงทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งจบยัตติ